่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องใครไม่รักใครมัณทิยชาดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่8เมษาย25น2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้น้บัด น, นี้ค่ะ ในนครสาวัตถีมีกุลบุตรผู้หนึ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้เห็นโทษในการมทั้งหลายจึงละทิ้งเพศขรือหัดหันหน้าเข้าสู่เพศบรรพชิตบวชอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าบวชแล้วท่านขวนขวายในการปฏิบัติธรรมยิ่งนักไม่ช้านานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันรูปหนึ่งในโลกแหมง่ายดีเนาะ มีพูดง่ายว่ามีหนุ่มคนหนึง่งเกิดดวงตาเห็นธรรมเสร็จก็ละทิ้งการมทั้งหลายบวชบวชเสร็จปฏิบับติธรรมไปไม่ไม่นานนักก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระอาหารหันต์แหละการเวลาผ่านไปมารดาของพิสูจน์นั้นได้ถึงแก่ความตายท่านจึงขอให้บิดาและน้องชายบวชนะดูนะนะพอแม่ตายปั๊บ แสดงว่าใ น, ในตระกูลนี้ก็มีเหลือพ่อเหลือน้องชายและแล้วก็ตัวพระอรหันต์นั้นวันพอแม่ตายก็เลยบอกพ่อกับน้องว่าเอา้าบวชเถอะและมีเสนนาสะนะอยู่กันที่บริเวณพระเชตวันมหาวิหารนั่นเองคันใกล้เข้าพรรษาจีวรจะหาได้ง่ายในชนบททั้งสามจึงเดินทางไปจำพรรษาอยู่ในอาวาส ประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งถือศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันจนกระทั่งออกพรรษาแล้วก็มุ่งหมายกลับคืนสู่พระเชตวันมหาบิหารที่พระศาสดาประทับอยู่คือช่วงเข้าพรรษาถ้าถ้าเป็นแบบว่าอะไรอะพวกเมืองชายแดนเมืองต่างจังหวัดพูดง่ายบางทีพวกผ้าเนี่ย ผ้าจีวรผ้าอะไรตามชาวบ้านเนี่ยจะหาได้ง่ายบอลช่วงเข้าภรษาเนี่ยทั้งสามรูปนี่ก็เลยไปเข้ารรษานะอยู่หมู่บ้านอื่นแต่ว่าพอพอออกรรษาเสร็จนะเป็นเหมือนกับจารีดเหมือนกับประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งสมัยโบราณเนี่ยถ้าสมมุติจนะแม้ไม่ออกรรษาก็ตามอ๋อแต่จริงๆรงิต้องออกราษาอยู่แล้วเขาเข้าภรษานี่ต้องไป นาจะไปจำวัดเอ้ยไม่ใช่จำไม่ใช่นอนนะจำวัดคือไปไประจำอยู่ตามวัดหรือว่าตามชนบทในะสถานที่ที่เป็นที่ที่จะเข้าพรรษาแต่พอหลังจากนั้นเสร็จปับ๊บใช่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดินทางมาคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมักจะเดินทางมาเพื่อที่จะมาพบครูบาจารย์หรือว่ามากราบไหวมาทำความเคารพ อย่างของเราเนี่ยพอออกภาษาแล้วเราจะมีอะไรมีอะไรที่เป็นจุดสำคัญของพวกเราพอออกภาษาแล้ว อ, ะอ่ะจะมีงานมหาบวรณานั่นนะคือลักษณะของจารีตประเพณีอย่างของศาสนาพุทธแม้ก็จะไปรวมตัวกันนแล้วก็จะมีการพบเนี่ยครูบาอาจารย์มันจะคล้ายกันเลยเนี่ยเนี่ยเป็นจารีตแบบสมัยโบราณแล้วก็ ก็มามีการชี้ขุมทรัพย์มามีการว่าติติงเตือนกันหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงนัายันยนพิธีหรือว่าพิธีกรรมพิธีการข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรน่าจะมาประชุมกันปรึกษากันแล้วเอาไอ้อันนั้นไอ้ น, นี่จะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะเอาเหมือนปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยของเราทำอย่างนั้นกันจริงๆเลยซึ่งเนี่ยจะไม่ต่างจากสมัยพุทธกาล คิดเลยว่าพอออกพรรษาปาัา๊บนะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเขจะไปรวมตัวกันไปกราบไหว้ไปเคารพพรรษาสามรูปเนี่ยตอนนี้เป็นพระหมดแล้วนะทั้งพ่อแล้วก็ทั้งตัวที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็น้องชายนะพอมาถึงเชตาวันใช่ไหมเดินทางมาจนเกือบจะถึงพระเชตาวันมหาวิหารก็เป็นเวลาเย็นแล้วภิกษุหนุ่ม จกล่าวกับสา ม, มเณรอ๋อน้องชายยังเป็นสามมเณรอยู่นะกับสามมเณร น, น้องชายว่าสมมามมเณรอัตมา จ, จะล่วงหน้าไปจัดเตรียมสถานที่ไว้ก่อนสา ม, มเณรจงรอให้ภิกษุพุเทเถ่าพักจนหายเหนื่อยแล้วค่อยพาตามไปทีหลังเถิดกล่าวจบก็ตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารส่วนภิกษุแก่กับสามมเณรพักรอสักคู่ นางก็เดินทางไปต่อภิกษุแก่ค่อยๆสาวเท้าเดินไปอย่างเชี่ยงช้าอ้าเสร็จตอนนี้ปรากฏว่าอ่าพระแก่ใช่ไหมกับกับเนนน้อยกับเนนก็เดินไปด้วยกันแหละนี่พระแก่ก็ค่อยๆสาวเท้าเดินไปอย่างเชี่ยงช้าเป็นที่ไม่ทันใจแก่สามเนนลูกชายเลยสามเนนนี่ถ้ากิดเป็นลูกชายของพระแก่รูปนี้นะก็ไม่ทันใจวัยรุ่นเนี่ยพูดง่าย เหตดังนั้นสำเนนจึงมักจะใช้ศีรษะดุลหลังภิกษุผู้บิดาอยู่บ่อยๆเร่งให้เดินเร็วขึ้นตามอำเภอใจของตนพร้อมกับสัมทัศว่าโอ้นี่ทั้งใช้หัวดันแล้วก็ใช้พูดด้วยนะพระคุณเจ้าผู้จเจริญเดินไปเดินไปเถิดคือดันไปแล้วก็ตะโกนบอกเดินไปเถิดเดินไปเถิดคือคือท่านเดินช้าใช่ไมเพราะนั้นก็ดันใหญ่เลยดันใหญ่แล้วก็ พูดใหญ่บอกเดินไปเถอะเดินไปเถอะภิกษุกแก่เป็นยังไง ถ, ถ้าถ้าถือว่าเราเจออย่างเงี้ยเป็นงไงถ้าสมมุติว่าเราเป็นพ่อเลยนะนึกดึกเอานะแต่เราก็ลองนึกดูเป็นพ่อเสร็จเสร็จอีลูกชายเนี่ยเนรลูกชายนีย่ดันหลังแล้วก็เอาเดินไปเดินไปนะเรารู้สึกยังไงเอาความรู้สึกกันหมายถึงว่าตัวภิกษุกแก่เนี่ยจะรู้สึกยังไง ไม่พอใจไม่พอใจแล้วจะทำยังไงสมมุติสมมุติถ้าพวกเราอ่ะถ้าเป็นเราเจออย่างเงี้ยเอาดูเอาบางคนก็หันมาดูหันมาว่าเ้าบางคนทำไงอ๋อเอาหัวดันดีนักใช่ไหมเนี่เอาบางหกเลยนะลงเลยอาจนนี้ดู สิกษุแก่ย่อมไม่พอใจที่ถูกเร่งรัดบ่อยนักจึงเกิดความถือดีขึ้นถือดีนี่คืออะไรกิเลสตัวไหนมณะอัตตาก็ขึ้นจิแม่ศักด์รีเป็นพ่อโดยซ้ำไปนะถึงจะบวชเป็นพระแล้วก็ตามนะไม่ใช่พอบวชปุ๊กกิเลสหมดปั๊บนี่บวชปุ๊บกิเลสไม่ยังอยู่นะไม่ได้ปฏิบัติให้ลดละมันก็ยังอยู่วันพอดดุโดน ด, ดันอย่างนี้เข้าโกรธ นะถือสาไม่ชอบใจขึ้นมาก็เลยกล่าวด้วยความไม่ยินยอมว่าอาตมาเป็นผู้นําทางหรือสเเอามเณรเป็นผู้นำอาตมากันแน่เอาและนะ้วนาเริ่มนาตอนนี้นาเนร์ก็ดันดันเข้าไปเอาเดินเดินดันมากๆเข้ากับภิกษุผู้พ่อก็เลยอาตมาเป็นคนนําทางนะหรือว่านเนี่ยเนี่ยหรือว่าเนนจะเป็นคนนํา <c oughs> ก็เนนอยู่ข้างหลังน่ะ แล้วแทนที่จะเดินไปข้างหน้าก็หวนกลับเดินไปตรงจุดที่ที่พักนี่แหละที่เล็กกี้เนี่ยพักอยู่แล้วเริ่มเดินเออเอาเอาเขาสาิก็แก่แล้วจะไปทะเลาะจะไปอะไรด้วยคงไม่ไหวใช่ไหมคราวนี้ก็เลยเกิดอะไรละแง่เกิดงอนเกิดเกิดอะไรอะ่ะเอาชนะแล้แต่เอาชนะแบบคนคนแก่ที่ไม่ใช่ยิ่งเป็นพระแล้วอะ่ะจะไปอะไรไปตบตีก็โห แย่มากถ้าไปตบตีไปด่าว่าก็ยิ่งแย่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยแทนที่จะไปทะเลาะแบบนั้นก็เลยเดินย้อนกลับเลยถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้าเ ด, นเดินกลับไปข้างหลังก็ทําตามอําเภอใจของตนเช่นกันตอนแรกเนนก็ทําตามใจตัวเองนะอยากจะวัยก็รีบรีบรีบดันตอนนี้พระผู้เท่าก็เลยเดินย้อนกลับไป เอาตามใจตัวเองบ้างแล้วก็ค่อยๆเริ่มเดินใหม่ตรงจุดที่พักนั่นแหะที่ระกี้ไปนั่งพักอ่ะก็เริ่มกลับไปเดินมาใหม่ทั้งสองทะเลาะ ก, กันเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละกระทั่งอาทิตย์อัสดงความมืดมนอนทการก็บังเกิดขึ้นก็คิดดูนะคือมาถึงช่วงเย็นแล้ะก็เนี่ยทะเลาะ ก, กันอยู่อย่างนี้แหละพ่อกับลูกเนี่ยนะ ระหว่างพระพูเทเจ่ากับสัมมาเนนนก็เลยเด้งก็พยายามดันอยากจะให้ไวก็พยายามดันให้ไปให้ให้ไปข้างหน้าพระพูเทเจ่ายิ่งไม่ยอมยิ่งไม่ยอมแทนที่จะไปข้างหน้าก็เลยกลับถอยหลังเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นแง่คิดอันหนึ่งที่บางทีพวกเราเองเนี่ยจะเป็นการทํางานก็ตามหรือบางทีจะเป็นการมีผัสสะก็ตาม บางครั้งเนี่ยเราก็ใจร้อนบางครั้งเราก็ใจเร็วอยากจะให้อะไรมันสำเร็จอย่างรวดเร็วบางครั้งเราก็ลืมเหมือนกันนะลืมสัมมาคารวะลืมความเคารพลืมความนอบน้อมเหมือนกับเนนทำกับพระผู้พ่อเนี่ยมันลืมเพราะความที่อยากจะให้เร็วอ่ะอยากจะให้เร็วก็เลยรีบว่าไอ้ความรีบเนี่ยบางทีมันก็เลยแข็งมั่งกระด้างมั่ง แล้วก็ทําไปโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงเลยว่าเอาคนอื่นเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเพราะนี่ก็จะทําไปตามใจตัวเองแต่พอทําไปปั๊บเสร็จคราวนี้เอาสิใช่ไหมพระผู้พ่อก็เลยเอามั่งสิมันก็อ้าใช่ไหมทําอย่างนี้ได้ฉันก็ไม่ยอมฉันก็ต้องเอามั่งเพราะตอนนี้อะไรชนกันอัตตามาณชนกันแล้วตอนนี้ เด๋ดูสิมานะใครจะเหนือกว่าใครเรื่องของมานะเนี่ยถ้าใครยอมใครก่อนถือว่าถือว่าชนะนะวันเรื่องของอัตตามนานะถ้าเรารู้ตัวว่าเราเกิดอัตตามนานะขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราต้องชนะเขาได้จะคิดจะทําจะพูดนะต้องชนะเขาให้ได้ต้องเหนือเขาให้ได้คนนั้นแพ้ตลอดกาลไม่มีวันชนะได้เลยเพราะอะไร เพราะคิดแต่ชนะคนอื่นโดยที่แพ้กิเลสตัวเองเพราะถ้าใครเนี่ยกําลังจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงตอนนี้นะถ้ายอมได้ยอมคนอื่นได้ลถแสดงว่าอาัตามาณะตัวเองลดลงเพราะอัตามาณะตัวเองลดลงนี่แสดงว่าชนะตัวเองเพราะคนจะชนะตัวเองเนี่ยมักจะต้องยอมคนอื่นได้เพราะฉะนคุ ณ, คณจํามันนี้ไว้เพราะใครอยากจะชนะตัวเองต้อง หักยอมแพ้คนอื่นวันคนที่คิดแต่จะเอาชนะคนอื่นเนี่ยคือคนที่แพ้ตัวเองเนี่ยจำคำนี้ไว้แล้วก็พยายามท่องหนีเรื่อยท่องอยนีเรื่อยนะแล้วก็เอาไปใช้ด้วยท่องแล้วก็เอาไปใช้ด้วยพอเวลามันเจอภาสะมันเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้เอ้อตอนนี้กําลังไงกาลังไงตอนนี้กําลังจะคิดเอาชนะคนอื่นหรือเปล่าอ้าวเอาชนะคนอื่นมันแพ้ตัวเองนะตอนนี้ แต่ถ้าตอนไหนเรารู้สึกว่าเอต้องยอมให้ได้ต้องยอมให้ได้ยไดพยายามบอกเลยบอกว่าเออถ้าเรายอมแพ้ได้นีเราชนะใจเราเองนะอย่างนี้ถึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแล้วพระเจ้าท่านก็สรรเสริญระวังกิเลสตัวที่ทำให้ยอมไม่ได้สำหรับพวกเราเนี่ยนะที่จะทำให้ยอมไม่ได้ที่อาตมาได้ยินได้ฟังมาบ่อยมากมีอยู่สองเหตุผลที่จะยินบ่อยคือเหตุผลมีเยอะนะ แต่เหตุผลที่จะยินบ่อยเนี่ยมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่ากลัวเขาจะเหลงองกลัวเขาจะเหลิง ก, กลัวเขาจะได้ทีขี่แพะไล่นี่เป็นเหตุผลที่พอมาปั๊บทําให้เราไม่ยอมอะ่ะมันยอมไม่ได้เพราะว่ายอมไปแล้วเดี๋ยวเขายิ่งยิ่งได้ใจใหญ่เพราะเหตุผลนี่ระวังนะมันเป็นกิเลสอัตตามานะที่มาหลอกเราอยู่เพราะถ้าใครไม่ระวังเหตุผลอันนี้ให้ดี จะมองไม่เห็นอัตตาตัวเองเนี่ยจะไม่เห็นตรงที่พ่อท่านาให้สโลกมาที่ในงานปลุกเสกเขาก็ใช้อยู่อะ เ, ออเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงจะมองไม่เห็นตัวนี้นะคือเปคิดแต่เหตุผลคิดแต่เหตุผลแต่ลืมมองอัตตาตัวเองว่าโอ้โหตอนนี้อัตตาตัวเองเบิ่มเทิมแลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจอันนี้ได้ก็จะถึงจะแบบว่าเออถึงจะได้ไม่โดนไอเกิเลตตัวมานาอัตตาของเราเนี่ยมันหลอกเอาไว้แล้วพอเหตุผลนี้มาปั๊บเราจะได้อ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเหตุผลนี้มันจะมาหลอกให้เราต้องเอาชนะเขาให้ได้ต้องเอาชนะเขาให้ได้นั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเรามักจะพูดแล้วมักจะบอกก็คือระวังให้ดีถ้ามันจริงก็แล้วไป แต่ถ้าเหตุผลนี้ถ้าไม่จริงนี่ก็คืออัตตามนานะหลอกอีกแล้วคือเรามักจะบอกว่าอ่าเดี๋ยวเสียธรรมยอมเขนี้เดี๋ยวเสียธรรมเสียธรรมะนี่นะ <c oughs> มันยอมไม่ได้ยอมแล้วมันเสียธรรมะคือถ้าเป็นของจริงเนี่ยใช่ยอมไม่ได้ระดับแม้แต่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลก็ตาม นะเป็นเป็นพระอาหารก็ตามบางทีท่านยอมตายเลยโดยที่เรียกว่าถ้าจะให้ท่านทําผิดอย่างนี้เนี่ยท่านไม่ทำํำยังไงก็ก็ไม่ทํายอมตายดีกว่าที่จะยอมเสียศีลหรือว่ายอมผิดศีลอนนั้นอันนี้คือคือผูดง่ายเหตุผลคือไม่ยอมให้เสียธรรมชีวิตเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การเสียธรรมะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะนั้นจะไม่ยอมเสียธรรม ยอมเสียชีวิตถ้าเป็นเหตุผลที่จริงถูกต้องอันนี้ใช้ได้ยอดเยี่ยมแต่บอกแล้วว่าบางทีเหตุผลนี้มันเข้ามาเนี่ยโดยที่มันเป็นมานะอัาตามมาหลอกเรามาหลอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเสียธรรมนะเดี๋ยวเสียธรรมนะทั้งๆั้งที่ความเป็นจริงแล้วถ้าตามเรื่องตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์แล้วนะถ้าเรายอมได้เนี่ย ไม่เพียงแต่ไม่เสียธรรมเท่านะั้นเรากับยังจะอะไรอะ่ะมีคุณธรรมมีการเสียสละมีความดีที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอาแต่ตอนมันขึ้นแล้วนี่โอโ้โหมันขึ้นจริงๆนะคือวิธีเอาชนะเขาคิดเลยนะคิดแบบจะเอาชนะเขาเลยอะ่ะเนี่ยอัตามาณะมันขึ้นแต่จะเอาชนะเขาโดยที่เรียกว่าเรายิ่ง ก่กลัวหรือเรายิ่งทําอะไรที่ให้เขาเนี่ยทำร้ายเราให้หนักขึ้นคิดเลยนะจิตมันไปเลยเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของอัตมามณะของเราที่เริ่มคิดและเริ่มคิดที่จะเอาชนะเขาเพียงแต่เอาชนะโดยวิธีเหมือนกับอหิงสาวิธีเนี่ยเป็นแบบอหิงสานะอาจจะยอมให้เขาตีหรือว่าอาจจะยอมให้เขากันแกล้งทําร้ายเราแต่โดยใจจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม่อหิงสาจริงนะใจจริงจริงมันจะคิด ใช้วิธีนี้เอาชนะคือมันรู้ว่าถ้าเราต้องโดนอย่างเนี้เราต้องเก็บตัวหรือเราต้องโดนอะไรแล้วเราจะชนะวิจัยมันยังไม่บริสุทธิ์จริงแต่มันรู้วิธีการไงว่าต้องใช้วิธีอย่างนี้แล้วชนะก็ได้จะเป็นอย่างนั้นซึ่งให้เห็นว่าเนี่ยจิตมันเป็นอัตตามืนนะแต่วิธีการหรือลายภายนอกดูแล้วมันก็เหมือนกับใช้ถ้าจะคิดไป น, นะนะมันก็เหมือนกับใช้อหิงสาสู้แต่จิตมันไม่จิตยังไม่อหิงสาจริง จิตยังมีอัตตาานะเนี่ยอยู่ที่เหลอัตตานะนี่มันมันก็ยังหลอกเรามันยังเล่นงานเราเราได้แต่ก็ยังดีกว่าวิธีโรกโรคที่วิธีโลโรคนี่คือใช้การทำร้ายคนอื่นเพื่อที่ให้ตัวเองชนะแต่ถ้าใครเนี่ยเริ่มมีธรรมะเข้ามาเนี่ยมันจะใช้วิธีแบบอหิงสาเนี่ยเอาชนะถ้าอาหิงสาที่จิตยังไม่ถึงพอก็ จิตยังมีความคิดแบบอัตตามานะอันนี้อยู่ที่จะเอาชนะโดยใช้วิธีแบบอหิงสานี่เอาชนะยังไม่สงบเย็นจริงจนกว่าคนนั้นเนี่ยจะหลุดพ้นจากอัตตามานะพวกนี้คือจริงๆแล้วไม่ใช่อยากว่าจะไปเอาวิธีแบบนี้ไปเอาชนะเขาแต่มันไม่มีอย่างอื่นนะไม่มีทางอื่นถ้าจะไปปลูกม็อบไปใช้อาวุธใช้อย่างอื่นก็ยิ่งฆ่าแกงกันระห่ำกันไปหมดเลย เลือดน้องแผ่นดินแน่เพราะฉะนั้นก็มีแต่ใช้วิธีความสงบใช้วิธีการพูดคุยใช้วิธีการต่อรองใช้วิธีการที่จะแบบว่าทําให้เข้าใจหรือว่าทําให้ยอมกันได้แต่ถ้าจิตดีจริงจะเป็นลักษณะ น, นั้นแต่ถ้าจิตยังไม่ดีจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่อาตมาบอกนะอ่ะเสร็จ แ, แล้วปรากฏว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะรู้อัตามาณะเราแล้วเราก็จะได้ มังคมมาล้างมาแก้อัตตามนนะ้าแต่สาหรับนี่พระพุทากับสมมเนนสมมาเนานน้อยเนี่ยสมมเนนหนุ่มน้อยเนี่ยนาปรากฏว่าเนี่ยทะเลาะ ก, กันไปทะเลาะ ก, กันมาอตา ม, มานะขึ้นจนกระทั่งจากเยน็นจนกระทั่งอาทิตย์เริ่มจะตกดินละฝ่ายภิกษุหนุ่มผู้เป็นอรหรันได้เก็บกว่าสถานที่จัดตั้งน้ำไว้เรียบร้อย รออยู่เป็นเวลานานก็ยังไม่เห็นมาสักทีจึงถือคบเพลิงออกไปคอยรับจนได้เห็นภิกษุผู้เป็นบิดากับสามเณรน้องชายแต่ไกลจึงเดินเข้าไปหาพร้อมกับถามว่าทำไมจึงมาช้าปานี้เล่าภิกษุแก่จึงบอกต้นสายปลายเหตุทั้งหมดในวันนั้นเพราะเสียเวลาจนค่ำมืดนั่นเองทำให้ทั้งสามพลาดโอกาสเข้าเฝ้าพระศาสดา คันช้าวันลุ่มขึ้นภิกษุหนุ่มจึงไปยังที่พักของพระาศาสดาพระองค์ได้ทรงปฏิสันถานว่าเธอมาตั้งแต่เมื่อไรหรือเมื่อวานนี้แล้วพระเจ้าข้าอ้าวเธอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทําไมเพิ่งมาหาเราในวันนี้เล่าเอ่อถ้าเรามีใจนะแลเรารู้ว่าเราเคารพศรัทธาในครูบาอาจารย์และที่มานี่ก็มุ่งหมายที่จะมา กราบไหว้นะอาจารย์มาเนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็ก็จะไม่ไปทำอย่างอื่นน่ก็ควรจะทำในสิ่งที่เราเราตั้งใจจะมาทำาวันถ้าตั้งใจจะมาะกราบทำความเคารพพระพุทธเจ้ามาถึงก็น่าจริงๆก็ยางเก่งก็เอาล้างหน้าอะไรอะ่ะพักหายเหนื่อยสักนิดหน่อยแล้วก็จะต้องรีบไปเข้าเฝ้าเลย แล้วก็ไปนี่แหละถ่ายถามหรือว่าไปนั่งใกล้ไปอะไรเพราะท่านผู้เจ้าเนี่ยท่านถึงได้ถามบอกอา้ามาเมื่อวานนี้เอา้า แ, แล้วแล้วทำไมวันนี้เพิ่งมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะาอันนี้มันเป็นเหมือนกับอะไร อ, ะอ่ะเซนเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ที่ถ้าใครมีความเคารพใครมีความศรัทธานะก็จะต้องมีแบบเนี้น่าจะไม่รอช้าหรอก ทำได้ก็จะทําเลยยกเว้นว่ามันเกิดเหตุหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรนะที่ทําให้เอออาจจะเลยก็ต้องช้าเพราะอันนี้มันอยู่ที่ใจเหมือนกันมันสังเกตดูนะพวกเราเนี่ยอย่างเช่นบางทีขออภัยนะอันนี้ขอเปรียบเทียบดูอย่างของพวกเราบางครั้งพ่อท่านมาอย่างเงี้ยนะจะไปไหนมาก็แล้วแต่หรือยิ่งอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ใช่ไหมบางทีกลับมาเอ๊ะพรุ่งนี้มัง้ง พรุ่งนี้พ่อท่านอาจจะมาะคือบางดีพวกเราเนี่ยบางคนก็กเฉยเฉยก็ศรัทธาอยู่นะแต่จะเรียกว่าศรัทธาแบบไหนอ่ะศรัทธาแบบมันหมดไฟแล้วหรือเปล่าไม่รู้ชอชอชอคือชวนเชื่องช้าแต่บางคนเนี่ยศรัทธาันแล้วก็เออไฟยังดีนะไฟยังติด ไปอย่างแรงเออพ่อท่านมาเนี่ยก็รู้จักขวนขวายนะรู้จักอะไรอะ่ะเข้าไปกราบเข้าไปหาบางคนก็นั่งรอ ว, ว่าเมื่อไหร่พ่อท่านจะเดินผ่านมาถ้าผ่านมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะกราบ ถ, าถ้าผ่านมาแล้วไปทางอื่นก็แล้วไปนะก็ด <c oughs> ูเอาเออเออพลังศรัทธามันมันเป็นยังไงในตอนเนี้ยคือยกเว้นสมณนะหรือว่ า, านักบวชอะไรนี่บางทีมันมันต่างกันนะเพราะว่าบางทีมันต้อง ดูสถานที่มันต้องดูสถานการณ์ต้องดูเวลาต้องดูอะไรแต่บทีอย่างคารวะามันไม่มีอะไรมากอะ่ะเราจะไปกราบไหวอะไรก็ง่ายอย่างพ่อท่านนี่บางทีถ้าเป็นพวกอาตมาต้องดูนะบางสถานที่เนี่ยไม่เหมาะคือคือพวกอาตมาไปกราบนะ่ะได้แต่พ่อท่านไม่เหมาะที่จะรับอันนี้ต้องรู้แล้วถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยคือช่วงนั้นไม่ควรเข้าไปกราบพ่อท่านเพราะ ถ้าพวกอะตมาเป็นเป็นสมณะด้วยเหมือนกับพ่อท่านเงี้ยเวลากราบพ่อท่านต้องรับด้วยอาสมบูตนะบางทีนะที่ก็โล่งโลงเตียนเตีย น, ยนหาที่นั่งก็ไม่ได้เราเข้าไปถึงเราก็จะไปกราบหละเอา้าแล้วให้พ่อท่านยืนรับเราอย่างนั้นแล้วล่ะไม่ได้อ่ะมันดูแล้วมันก็น่าเกลียดอ่ะเพราะฉนั้นบางทีเนี่ต้องต้องรู้สถานการณ์ถ้าทําสําหรับพวกอะตมาอะตมาเคยเล่าให้พวกเราฟังว่า มีอยู่คราวหนึ่งอะอาตมาไปกราบอะอาตมาโดนตนําหนิสมัยที่ที่บวชใหม่ๆคือยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจก็คิดว่าเอาเรามีศรัท ธ, ธาที่ไหนเราเจอเราก็กราบเลยไม่ต้องรอช้าเสร็จแล้วเอาสมมติว่ายกตัวอย่างนะอย่างเช่นถือมมว่าพ่อท่านนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวก็อาจจะมีเนี่ยโยมพูดคุยนั่งนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นผู้หญิงมั่งเป็นผู้ชายมากใช่ไหมอ้าวอาตมาเดินมามาเห็นเข้าใช่ไหม อาตมาก็อ้าวก็ก็ไปเนี่ยเนี่ยก็พวกโยมเขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมอาตมาก็ก็ไม่ไม่ห่างนั่หรอกแต่ตอนนั้นก็ก็คิดว่าอ้าวก็พ่อท่านคุยไปก็มีมีปัญหาอะไรนี่อ่าบางทีพ่อท่านก็หยุดบ้างก็อะไรบ้างเงี้ยเราก็เอ้าขอโอกาสกราบใช่ไหมเสร็จอังก็กราบพอกราบเสร็จพ่อท่านกะหลังพ่อท่านก็แนะ ก็ MM. สอนได้บอกโอ้กาบได้ยังไงเล่ายิ่งคารวาตเขาอยู่อยู่ข้างหน้าไงคารวาตอยู่ข้างหน้าแล้วบางทีก็มีพวกผู้หญิงด้วยนั่งอยู่ด้วยเอ้าแล้วเราไปกราบอยู่ข้างหลังคารวาตเหมือนจะไปกราบก้นคารวัตเขาบอกโอ้เนี่ยท่หลังพ่อท่านมาแนะมาสอนบอกโอ้ย่างงี้มันไม่ควรเนียถึงจะฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ก็ต้องบางทีก็ต้องรู้ต้องเข้าใจ นะบางคนก็เคี้ยวข้าวอยู่ปากยังงอแงมงอแงบรีบเู่จะกราบเนะียเคี้ยวให้มันหมดให้มันดีหน่อยนะแล้วก็ไปกราบจริงๆเห็นบางคนรุดปวดผ่านรุดปวดผ่าโอ้โหรีบไปย่งเี้ยคี้ยวงอแงบงอบแงมแมมันงครั้งกเอ้ยดูจังบะบ้างไห้ศรัทธาน่ะดีอยู่แหละแต่ยังไงก็แหมรู้จักไอ้อะไรอะกาละเทสะหรือว่าจังหวะจากโคนบ้าง <hine ing> ไปถึงก็กรินพอดีเลยใช่ไหมต้อ <g> งกด็ดูให้มันดีนแล้วลกัน euh ตอนนี้ปรากฏว่าอะไรอะ่ะผู้เจ้าทา่านกระถามนะอ้าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมเพิ่งมาหาเราในวันนี้เล่าพิกูุนหนุ่มจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหลายให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงรับฟังจบแล้วได้ตรัสตำหนิพิกษุแก่ในทันทีนั้นว่า ภิกษุแก่รูปนี้ได้เคยกระทำเยี่ยงนี้มาแล้วแม้ในการก่อนก็ทำให้บัณฑิตต้องลำบากแต่บัด น, นี้ได้มาทำให้เธอลำบากเธอก็ไมาถึงภิกษุนุ๊ปภิกษุนุ่มได้ยินเช่นนั้นจึงทูลอ้อนวอนให้พระาศาสดาตรัสเล่าเรื่องให้ฟัง <c oughs> ยังไม่ขึ้นเนื้อเรื่องเลย เสร็จแล้วปรากฏว่าจริงๆก็ก็มากราบแล้วนะแต่ผู้เจ้านี่ตําหนิผู้ที่แก่กว่าเพราะอะไรเอาถ้าเนี่ยเนี่ยถ้าทะเลาะกันมีอัตตามานะมาเนี่ยนะมีมีผู้เท่ากับมีผู้เยาว์ผู้เจ้าตําหนิคนที่แก่กว่าก่อนเพราะอะไรเพราะถือว่า ถือว่าผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่าผ่านโลกมาเยอะกว่านะการรู้อะไรต่ออะไรก็น่าจะดีกว่าแต่ว่ามาทะเลาะกับเด็กอะ่ะมาทะเลาะกับเนรอย่างเงี้ยเพราะนั้นพระเจ้าเลยตําหนิตาหนิผู้ที่ผู้ใหญ่กว่าเสร็จแล้วพอตาหนิเสร็จใช่ไหมตอนนี้อ้าวิกษุหนุม่มที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยก็เลยขอให้พระเจ้าเล่าให้ฟัง ในอดีตการมีมนุษย์คนหนึ่งเกิดอยู่ในตระกูลพราหม์แห่งแคว้นกาสีเป็นบุตรของกัสปะพราหม์อาศัยอยู่ในกรุงพาราณสีเมื่อมารดาได้ตายจากไปแล้วครึ่งเดือนเขาได้นำทรัพย์สินที่มีอยู่ในเรือนออกแจกจ่ายเป็นทานจนหมดสิน้นเพราะเกิดสลดสังเวชใจเห็นทุกในการดำเนินชีวิตอย่างเพศคฤหัแล้วได้พาบิดากับน้องชาย ไปบวชเป็นลืษีอยู่ที่ป่าหิมพานอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเง่ามันกับผลไม้โดยการแสวงหาอาหารในป่าอันน่ารื่นรมนั้นเนื้เรื่องคล้ายๆกันนะก็ไปบวชแต่อันนี้ไปเป็นลือีบวชเป็นลือีก็มีแม่ตายไปใช่ไหมก็เหลือพ่อกับน้องชายเหมือนกันคันถึงฤ ด, ดูฝน เมื่อฝนตกหนักไม่ขาดเม็ดไม่สามารถขุดเน่ามันได้ทั้งผักผลไม้ก็ร่วงหล่นเน่าเสียไปโดยมากลือศีทั้งสจึงพากันออกจากป่าหิมพานทิ้งอาสมเอาไว้ในที่นั้นคือพูดง่ายว่าอาหารหากินยากละเพราะฉะนั้นก็เลยออกจากป่าจะมาตามชนบทเมื่อมาอยู่ในถิ่นที่มีมนุษย์อาศัยก็สามารถยังชีวิตอยู่ได้ ด้วยอาหารที่เขาให้เป็นทานพักณที่นั้นนานจนกระทั่งผ่านพน้นฤดูฝนไปแล้วซึ่งเป็นเวลาที่ป่าหิมพานเริ่มมีพืชผลเป็นอาหารได้อีกลือสีทั้ง3จึงเดินทางกลับคืนสู่อาสมตามเดิมคือพูดง่ายๆว่าหาอาหารยากก็มาที่ชนบทพอมาที่ชนบทปับ๊บหมดฤดูฝนแล้วก็เตรียมตัวที่จะ กลับไปป่าฮิมพานเพราะว่าไอ้พืชผักผลไม้มันก็เริ่มมีอีก